ปีนี้มีผปป ป, ปสเข้ามาปลอมตัวเข้ามาไม่ปปปสก็มีพวกเนี้ยเข้ามาเขามาสืบมาสืบคนขโ ม, มยด้วยอะไรด้วยในวัดเยอะเขาบอกเป็นตำรวจนะเขามานั่งใส่มาแล้วรู้เขารู้มันเป็นตำรวจนะตอนเย็นมันก็ไม่อยากเข้ามามันจะชอบเดินมาทําอะไรเนี่ยวะมผมจะเดินเข้าไป ท, ทําวัดสวดมนต์สวดมนต์ ตอนเช้าอยากรู้ลุกไปไหนเนะี่ยนั่ ง, ง้องปฏิบัติธรรมเนี่ยเจเลือิ้ไม่กูมาพิธีมนมปฏิบัติธรรมไปไหนไม่ได้เลยเขอาอุตส่าห์ส่งมาไอ้หมอนี่มันคงจะคือหน่อยปฏิบัติตลอดนะเดินจง ก, กรมก็เดินในสวนอีกนอยๆก็อยากเดินออกไปไหนเนี่ยเดินจงกรมเลยมาเดี๋ยวพ่อพี่เลี้ยงเขงางตา โยมคนนั้นชอบออกไปเดินไปตามมันมาเอามานั่งสร้างจังหวัดในสลานี้ตายแล้วมึงวะตำรวจนี่จะบรรลุ ก, ก่อนใครนะธรรมานี่กูอาจงุนหงิดนะมันดีเอาไปมาก็เลยสบายไปลงตาถามนะบุหรี่ก็เลิกแล้วออกไปนะ่ะเหล้าก็เลิกกินเลยแทนที่จะได้ตรวจจับขโมย ได้มาตรวจจับจิตตัวเองนะตรวจจับจิตตัวเองพอรู้ว่าเออไอความชั่วนี่มันขโมยทำร้ายเราตลอดเวลาออกไปก็หายเ่ยเขาอืสมัยหนึ่งมีผู้หมวดนะร้อยโทคนหนึ่งของสันติบาลนะตามประกบหลวงพ่อเทียนพอหลวงพ่อเทียนในสวยก่อนท่านเป็นโยมยกมือสร้างจังหวะนี่เขาถือว่าเป็นที่ละทิอันนี้มันยังไม่ค่อยมีอะ่ะ มันไม่ค่มีเขาถือว่าเผยแพร่ลัทธิอะไรก็ไม่รู้นะสมัยนั้นนะปี110กว่า105 106 107พวกเนี้หลวงพ่เทียนท่านยังเป็นโยมอยู่ท่านจะขึ้นไปบนภูเขาในบ้านขึ้นไปบนภูเขาแล้วโยมก็าจะหอบข้าวขึ้นไปหอบข้าวขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปเยอะมันเหมือนซ่องสมผู้คนนะ่ะขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อที่สร้างจังหวะนี้ กินข้าวแล้วว่าปฏิบัติทำแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติคนมันก็รู้แจ้งรู้หลบรู้น้ำมัารู้ลรู้รรรรรรน้ำมก็บอกกันขึ้นไปคนนั้นก็ขึ้นไปคน น, น, คนี้ขึ้นไปท่านสอนอยู่สองปีแปดเดือนนะเป็นโยมสอนนะหาข้าวเราขึ้นไปขึ้นไปทางการเขาก็สั่งมาว่าให้ชาวนาโออันนี้มันผิดก่อนนะทางการเขาก็สั่งมาบอกว่าให้กำนันจับตาดูให้ดี มีอุบาสกพันธ์ท่านหนึ่งอ่ะมีมีโยมคนหนึ่งชอบคุณไปซ่องสมผู้คนเนียนั้นแต่ละวันแต่ละวันจะมีคนหอบข้าวหอนน้ำเพื่อนไปไปทำอะไรเ่แล้วก็ส่งร้อยโทรที่มาด้วยบวชเลยพรรษานั้นน่ะติดตามพฤติกรรมมันก็ยิ่งอยู่ติดฝั่งล้าด้วยเอใกล้ๆที่เชียงคานบ้านบุห่มวัดบรนพศคีรีเนี่ย อยู่หนึ่งพันษาขขึ้นไปนั่นไม่เห็นพูดลทัทินอกแนวสักทีตื่นมาก็ลูบน้ำตื่นมาก็รู้สึกตัวโอ้พิจนาเพื่อฉะนั้นก็จดหมายเนาะฝากกำนันกำนันก็ทำท่าไปจังหันไปเพงไปทำบุญนะจดฝากทรงเขาไปในจังหวัดบอกว่าท่านมาทำอะไรเนี่ยเรื่อยๆมันไม่มีมือถือไงแต่ก่อนนะ่ะไม่มีวอมีเวอร์มีแต่จดหมายน้อย ส่งไปทุกวันก็มาเฝ้าดูทุกวันทุกวันนะบุษาบวดมาเอาไปมาหลวงพ่อเทียน่าคุณบวชมากี่เดือนแล้วเนี่ยเจ้าบวชมาจากเดือนแล้วคือบวตั้งใจเหตุคือมู มูพวกนั้นบุกนี่เขาก็รู้ลูบลูน้ำแล้วเจ้าหมวดท่นได้รู้เทียงนดีแปดเดือนแล้วได้เนี่ยมวดท่านรู้อยู่เนี่ยตั้งใจฝึกฝนคือมูมาอยู่ซื้อซื้อเอามือเอาหยามหลวงเพราะว่าสามเดือนบรรลุธรรมอยู่ซื้อซื้อก็สิเป็นแย้งบทสร้างจังหวะบทเดินจุกรมมันจิงหธรรมะตีท่านว่าเสียเวลาเสียเข้าเสียน้ําซื้อซื้อเสียมืนเสียไฟ หูจห้จนะับบ่หมดน้ามันไปทอด้วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยฟังบ่ออกที่สอนเนี่ยซาดหมามันบ่ฟังแล้วมันอีหู้ที่ธรรมะเนี่ยให้พระพุทธเจ้าพุที่มาสอนนะพระพุทธเจ้ามาเพื่อจะที่พูดเดวที่วาเรื่องนี้ลนะให้รู้รู้รู้นำให้รู้สึกโตคือกันนี่นะ ตั้งใจเห็หุในเมยยังให้ได้เว้าวไหลไหลฟังแล้วมันกระสืดุ่งนะอีมาเอายื้มื้อเอาหยามซื้อๆลวงพราว่า3าเดือน3เดือนรู้แจ้งอยู่จาก10ปีมันก็ไม่รู้ได้มันบ่สร้างจังหวะจากเถื่อเนี่ยคิดเลยเฮ้ยกูกูเป็นตำรวจนึกกูกูมาเฝ้าบ่เดียนว่าใครจะเป็นไผ่มาก็ตามสร้างมันก็คือคนเป็นก้น กนทุกข์คือเก่านั่นนะคนมันปุ่งแต่งฟุ้งซ่านซื้อซื้อโยมผู้นั้นเข้ามาเขาก็รู้คนผู้นี้มาเขาก็รู้เขารู้เอารู้เอาเฮายู่วัดยู่ว่านี่เป็นพระเป็นเนนอยู่บ่านนี้ยังบ่รู้เถอะมันยิได้ยังคนทําลายศาสนานี่มันว่าเป็นทางนอกคนนี้เฮานี้เฮาบ่ปฏิบัติดีบ่ปฏิบัติชอบนี่ เฮานี่ล่ะเป็นผู้ทำลายศาสนาพอพุทธเย้อก็ายังว่าเด้อุบาสกอุบาสิกาไม่ปพฤตปฏิบัติธรรมอยู่ในสิลนในวินัยไม่ปฏิบัติไม่สร้างให้มรรคผลเกิดขึ้นนี่ล่ะคือโตทำลายศาสนามันบมนเม้นไส่ว่าสิมีพายุมาทับศาสนาพุทธ แผ่นดินถลมทับศาสนาพุทธศาสนานั้นมาทำลายศาสาบ๊วยแมนแท้ๆหลวงเพราะว่าบ๊วยแมนแท้ๆสั้นดานแต่เฮานี่ละขี้คานปฏิบัติเนี่ยโตทำลายนี่มันก็อีโบมีศาสนาไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตวะลูกหลานเกิดมาก็ติดแต่ความคิดอยู่แบบนนั้นแล้วมันไม่มีคำสอนที่อีสอนให้เขาเห็นจิตเห็นใจ เห็นความคิดอารมณ์เห้รู้แจ้งหลุดพ้นออกจากกิเลสตัณหาเขานะถ้าเราไม่ฝึกบบฝึกมือนี่แล้วจะเอาอย่างเอาความสอนเอาความรู้ได้ไปให้ลูกให้หลานเอาทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้ลลหลานลูกหลานมันกคยกย่องสรรเสริญที่สังคมตั้งแต่นูนมาจนปัจุบันนี้ 2,600 ปีแล้วเพราะมีพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติซอฟปฏิบัติทึก เขาจังได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าคู่มือนี้นะถ้าบ่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติสอบคู่มือนี้มันไม่มีได้คำสอนอันนี้มันหายไปแล้วเหลือแต่ประวัติธรรมประเพณีได้นี่อยู่ตามบ้านตามเงินคนที่เขาเป็นอยู่นึกคิดขึ้นมาก็เลยไปสร้างจังหวะเอาจริงลนะก่อนอพยศเหลืออยู่10กว่าวันนะ แต่ก่อนก็เดินอยู่แต่เดินเพื่อแบบนั้นแหละก็ใช่นะหลวงพ่อท่านพูดเนี่ยเลยไปเอาจริงเอาจังสร้างจังหวะดวงอาทิตย์วานทีน้ต ก, ตกดินซ<ำ>้ำ <ตก S 2> นอนแล้วตื่นก็ซสายขี้ขาน หลวงพ่อเทียนท่านพูดอยู่เรื่อยๆเกิดมาเป็นคนมีความรู้ความสารสร้สางแล้วหลวงพ่อว่ายังมีความลบโกดหลงอยู่ในใจอยู่สู้ตมา ต, มาตแมวมัได้แล้วตีสามตีสี่ตีหนึ่งตีสองตื่นขึ้นมาเจ้ากระย่างจงกรม่อยกรย่างจงกรมเจ้าก็เห็นคข้ย่างเจ้าก็เห็นคข้ย่างเจ้าก็เห็นคข้ย่างเจ้าก็เห็นคไขยเดินต่างคนต่างเดิน เป็นตัวอย่างกันเป็นครูของกันและกันผู้นั้นก็ปฏิบัติผู้นี้ก็ปฏิบัติผู้นั้นก็รู้ผู้นี้ก็รู้ผู้นั้นก็นนกนนนกนเห็นผู้นี้เห็นหุศาสนามันก็จะเลื่อนแล้วคําสอนเรื่องการดับทุกข์นี่มันก็มีเพราะต่างคนต่างก็หูยืนยันได้อันนี้ยังว่าแต่เลยพระพุทธเจ้าสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าพระพุทธเจ้าเนีเกิดมาจากปีแล้ว สองพันหกร้อปีเลยได้พระพุทธเจ้านี่เกิดมานี่เขาเกิดเมื่อวานนี่เขายังพ่ะพุทธเจ้าสอนว่าบางเทื่อมันบ่แมนนี้คนอื่นอาจจะเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาว่าซื้อก็ได้เด้หรือว่าพุทธเจ้าบ่ได้ว่าแต่กูอื่นว่าก็ได้เด้เป็นอย่างเฮ็ดอย่างเขาคือเอาคําสอนว่ากูแล้วรู้แจ้งวันที่เท่านั้นกูสอนว่านี่หลงพ่เทียนท่นพูดนี้นะทําไมไม่พูดตัวเองเนี่ย คือบอกว่าผมรู้แจ้งวันที่เท่านั้นความรู้ทั้งหมดนี่ผมได้มาจากความรู้ของผมเองเลยนี่ผมรู้วันที่เท่านั้นตัวนี้แล้ เ, เอามาซ่อนอันนี้พรอพุทธเจ้าสอนว่าพุทธเจ้าสอนว่าอืมไปว้าเห็ดย่งเกิดพระพุทธเจ้าบุรีสอนะส อ, นว อ, วอะอนว่าไหนไปจำมาเหรอย่งพระไตปิดกนะ่ะมันซอยหัวได้บ่พระไตปิดกแปดหมืนสี่พันพระธรร ม, มขันธ์เนีเป็นรถจิบล้อพวกกรตามสร้างแล้วแกทุกบ่ได้ไหม ความรู้ในน้อยขอแต่รู้สึกตัวนี่มันแก้ทุนเอาอันนี้มาสอนเนี่ยโอ้ท่านพูดแต่ละทีนี่ก็เทือนนะเดี๋ยวเอาข่าวหนังสือพิมพ์เข้ามาอ่านในวัดพระนะดูหนังสือพิมพ์กันน้อยๆ น, นานๆทีจึงจะได้ข่าวนะเพราะอยู่แต่วัดแต่วาไม่ได้มีอะไรนะไม่เห็นโอ้ย กระดาษเศษหนึ่งข้าห่อใส่กับข้าวมาก็ได้ดูดีพากันเบื้องหยังท่านไม่เห็นพากันเบื้องหยังตำราดับทุกตีหู้จักหน้าๆๆๆที่เจ้าข่องบอ่อ่านหนังสือพิมพ์นี้พมเตือนจากเธื่อแล้ว ตั้งแทอ่านมานี่ได้เป็นรัฐมนตรีนำเข่าจากเถ้จาจ้าค น, นท่านถามนะท่านถามนี่คํานี้เลยนะท่านถามว่าได้เป็นรัฐมนตรีกี่คนแล้วที่อ่านมานี่มันบ่งหูจากหน้าที่บ่งหูจักการหูจักงานเจ้าของมันสกาวนะได้ที่ท่านสอนแล้วคนไหนไม่ใส่ใจเนยะอย่าคิดว่าท่านจะเดินไปดูนะหลวงพเทีย น, นไม่เคยดุนไปดูนะท่านไม่ดู ถ้าไม่ไปพูดไม่คุยปล่อยตายเลยนะเนียเขาตั้งใจสร้างจังหวะแหละเอาไปมาได้กี่วันนะ่สี่วันห้าวันเอาจริงเอาจงเกิดน้ำตาไหลอาบเต็มหน้าเลยโอ้ตายตายเถรู้แจ้งเนี่ยมันมีจริงจรเนาะเนะมันสว่างมันแจ่มใสขึ้นมาโอ้รู้แจ้งมีจริงจริงเนาะโอ้ หลวงพ่อเทียนเนี่ยน่าจะเป็นพาาระอรหันต์จริงๆนะเนี่ยนรอยโทรนั้นว่านะท่านดับทุกข์ได้จริงๆนะเนี่ยขนาดเราทํำ น, น้อยๆตั้งใจไปนี่เข้าใจอะน้ำตาไหลพอรู้ไปหาหลวงพ่อเทียนเลยกราบหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านช่วยนะหลวงพ่อครับ หลวงพ่อรู้ไหมว่าผมเป็นใครเนี่ยเป็นภัยกรตาม้างแล้วเจ้าเป็นถูกแล้วมั่นใจที่ว่ารู้จักตัวเองว่าตัวเป็นใครเนี่ยหลวงพ่อว่าเจ้าว่าท่นได้รู้จักเจ้าของดีเด้ไปทำให้มันรู้จักตัวเองหลายกว่านี้ครั บ, รบผมเป็นสันติบาล น, นะครับยังไม่หยุดที่จะพูดนะผมเป็นสันติบาล ทางการเข้าส่งมาจับจ้องพฤติกรรมหลวงพ่อนะเขาหาว่าหลวงพ่อเป็นคอมมินิ์นะเป็นคอมมินิทก็เป็นแล้วใคอยบ่ได้ทุกข์ทำเจ้าอืมเถียนไม่ทุกข์เป็นอะไรก็เป็นท่านบไม่ได้เป็นทุกข์นะเขาให้ผมส่งข่าวตลอดเวลาหลวงพ่อรู้ไหมที่กำนันขึ้นมาทุกวันนั่นก็คือมาสืบหลวงพ่อนี่ย หลวงพ่อไม่ได้ยักหัวนะั้นหลวงพอรู้แต่ตัวเองก็พอแล้วอโอ้มันไม่รู้จะพูดไปยังไงอะ่ะอาไปมาก็ไปตั้งใจปฏิบัติตมันจะหมดเวลาแล้วนี่นทางการเขาให้มากี่เดือ น, ม, นมาจากเดือนเนี้ยออกพรราเขาสึกนั้นมันจะรู้ธรรมะนำเข่าที่ไปเฝ้าปฏิบั ต, บติไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติธรรมดาแล้วก็ไปบอกนั้น หลวงพี่หลวงพี่รู้ไหมว่าผมเป็นใครเนี่อแต่ก่อนน่ยปิดความลับนะั่นนี่วิ้ยผมบาปมากนั่นี่ที่มาจ้องจับหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันมาหนึ่งนะว่าผมเสียดายไปลงเวลานะแต่ผมก็ถือว่าผมโชคดีนะอย่าง น, นี้เริ่มอืหลวงพ่อเทียนท่านจะพูดเนาะมีแต่แวดแวดแวดอยู่นั่นแหละมีแต่ว้ากับเ ว, ว, ว, ว, ว้ามันจะรู้ตีธรรมะเนี่ยเฝ้าปฏิบัติอันหนึง่งปฏิบัติพอปฏิบัติม า, ท, าท่านถึงบอกให้คนฟังเลยว่าท่านเป็นใคร ขนาดไปจ้องจับหลวงพ่อเทียนนะี่ยังรู้ธรรมะนะอันนี้มันสมัครมานะทั้งสอบเข้ากับนนั้นนี่ไม่ได้ไปจ้องจับเลเนี่ยแล้วจะมาทําเล่นเงืง้องมงับอยู่เอ้ยมันจะได้อะไรเนาะบางคนเว้ยผมก็เอาจริงเลยได้ทีไหนมันทําไมมันไม่รู้เนาะเอาจริงมันไม่ถูกจริงๆรดิทามันไม่ถูกต้องทําหาจริงจริงอ่ะอย่าทํามากไปอย่าทําน้อยไปทําพอดีทรรําระลึกรู้เนี่ย ทำแล้วพิจารณาไปด้วยทำให้มันคลายจากความพอใจในกายนี่ไม่เห็นว่ามีกลัวเราตายเป็นตายเหรือแต่ใจอย่างเดียวนะเอาใจสู้ถ้าคนไหนทาอย่างที่พูดมานี่นะให้เห็นโทษของกายเห็นโทษของความยึดติดในเวทนายึดติดในโลกยึดติดในสังขารความคิดปรุงแต่งนะแล้วเห็นภัยของความตาย เห็นภัยของความตายชีวิตนี้อยู่กับความตายมันมีอยู่อะไรนะมดใกล้เข้ามาทุกทีทุก ท, ท, กทีอย่างนี้เนี่ยรับรองนะนะเจโตวิมุติปรากฏเกิดขึ้นแน่แนเจโตวิคูลหลุดพ้นด้วยอํานาจสมาธินี่ปิ๊งึ้นมาันดีเ่ะสว่างขึ้นม า, น า, มาปัญญาวิมุติการหลุดพ้นแบบการเห็นแจ้งที่จะไม่กลับมาเกิดอีกปรากฏเกิดขึ้นแน่แน